สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวินเนอร์99จากเรื่องของคุณ อ, อมครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่4ี่ของเราในค่าคืนวันนี้กับสายของครูเบิร์ตครับวันนี้ครูเบิร์ต มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงครับเกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านเรียกผีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4ของเราในาค่ําคืนวันนี้กับสายของครูเบิร์ตครับสวัสดีครับครูเบิร์ตสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมครูเบิร์ตสบายดีนะครับตอนนี้ผมกําลังรุนมากเลยทำไ่ะเดี๋ยวมันจะคาบเที่ยงคืนไงทําไมอ่ะก็ จำได้ไหมที่ผมเคยเล่าแล้วเขามาตีเปงๆอ่ะอ๋อไม่เป็นไรอ๋ออุ๊ยจำได้จำได้เขามาส่งสัญ ญ, ญาณใช่ไหมเออแต่เขาเดี๋ยวอันนี้เขาจะตีสิบสองทีไยจะนานเลยเออนี้ต้อง<ม><ต>บอกคุณผ <ๆ S 1> ูณ <ๆ S 1> ้ฟัง <ๆ S 1> ว่าถ้าระหว่างที่ครูเบิร์ตเล่าอยู่ได้ยินเสียงเคาะเป้งๆนะไม่ต้องตกใจนะฮะเป็นการบอกเวลาที่แบบว่าผมไม่ค่อยได้ยินนานมากแล้วไหเห็นหลายคนบอกว่าบางบางที่บางหมู่บ้านยังใช้วิธีการแบบนี้อยู่นะฮะ ออลกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวคนฟังจะตกใจว่าไม่เป็นไรผมว่าได้ได้ฟิลลิ่งได้บรรยากาศดีครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยอีกหนึ่งเรื่อง บ, บ้านเรียกผีที่ว่านี้เนี่ยน่าฟังมากับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นครูเบิร์ตเชิญเลยครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยที่ผมยังเป็นคอลัทอมนิสของนิตยสารครับ ดังฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรในช่องโท ร, ท, รทัศน์ช่องหนึ่งด้วยเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุย้ยคือผมเนี่ยให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับดวงแล้วก็ห่วงจุ้ยอะครับแล้วก็จะมีแบบมีไปออกอีเวนต์ออกอะไรเงี้ยครับก็จะมีคนที่ตามมาดูอะไรเรื่อยๆแล้วก็โทรมาขอคำปรึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะ จ, จะเจออะไรที่เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนียเยอะมากแล้วก็แนะนําให้คําแนะนําไปว่า ปรับเปลี่ยนยังไงชีวิตถึงจะดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครั บ, รบเรื่องของเรื่องมันเกิดจากประโยคคําถามประโยคเดียวของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเขาถามว่าอาจารย์คะฮวงจุ้ยเนี่ยมันกันผีได้ไหมอืมอันเนี้ครับเรื่องนี้เกิดมาจากประโยคประโยคนี้ประโยคเดียวเลยนะครับครับครับก็เห็นเอเคยเล่าเรื่องมวยปีเบยมีคนคอมเมนต์มาว่าตัวละครเยอะมากจําไม่ได้ เรื่องนี okay. okay. ้ม um, okay. ีตัวละครสี่คนเป็นหลักนะครับครับก็อมีชื่อคุณอ้อยกับคุณตาลเป็นเพื่อนแอเป็นพี่น้องกันออืคุณอ้อยเป็นพี่คุณตาลเป็นน้องผู้หญิงทั้งคู่นะคะครับแล้วก็อ่สามีของคุณอ้อยที่ชื่อคุณอำนาจนะครับอืมก็คือเราขอนว่าเออฮวงจุ้ยเนี่ยหลายคนก็คงรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าม้วมว่ามันคืออะไรครับก็เดี๋ยวข้ามเรื่องรายละเอียดหวงจุ้ยไปแต่บอกแค่ว่าฮวงจุ้ยก็คือเหมือนการปรับ ปรับปรุงทัศนียภาพหรือการปรับตำแหน่งการตั้งการวางการจัดวางของผังบ้านผังเมืองอะไรเงี้ยนะครับเป็นศาสต์อย่างหนึ่งเป็นศาสตร์อย่า ง, งใช่คนระับก็ที่ผมมาศึกษาก็าผมผมรู้สึกว่าเออมั น, ม, นมันก้ากึกระหว่างความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ครับครับเพราะว่าห่วงจุ้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับกระแสล ม, ลมกระแสแสงแดดอะไรเงี้ยด้วยนะครับครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าคุณตาลก็เข้ามาปรึกษาคือคุ ณ, ค, ณคุณตาลเนี่ย เขสามีของคุณตานที่ว่าชื่อคุณอำนาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบไม่เชื่ออะไรเลยครับ hmm. หัวแข็งเป็นคนสมัยใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะดื้อด้วยอื hmm. ซึ่งก็ทําให้คุณตาลที่มาปรึกษาฮวงจุ้ยกังผมเนี่ยก็หนักใจอยู่พอสมควรว่าแนะนําอะไรไปแก้อะไรไปเขาไม่ฟังบา hmm. งทีคุณตานขยับไปนั่นขยับไปนี่เขาก็มันขยับคืนอืม hmm. ไม่ฟัง hmm. นะครับครั้นี้เนี่ยเรื่องของเรื่องมันเกิดจากว่า ทั้งสองครอบครัวคือครอบครัวของคุณอ้อยกับครอบครัวของคุณตาเนี่ย hmm. เขาได้ได้ที่มรดกตกทอดครับ hmm. ที่แห่งนี้มันอยู่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึง่ง hmm. ก็คือสามารถเข้าทางหมู่บ้านก็ได้เพราะว่าที่หมู่บ้านก็เป็นที่ของเพื่อนแม่ hmm. อ่ะเป็นที่เป็นที่ท้ายหมู่บ้านลองนึกถึงกระดาษ A4 แล้ววางแนวนอนนะครับ hmm. บ้านบ้านอที่ของสองคนนี้เหมือนกระดาษ A4 นะนอนที่ถูกแบ่งครึ่งอือืมอ่านะครับซึ่งขวาเป็นของของน้องสาวก็คือคุณตานครึ่งซ้ายเป็นของคุณอ้อยนะครับครับซึ่งแปลนบ้านจะกลับกันหมายถึงว่าถ้าเกิดห้องน้ําเอห้องคุณอ้อยอยู่ซ้ายห้องคุณตาลจะอยู่ขวาอะไรเงี้ยมันจะกลับกันนะฮะอือืมอืมนะครับทีบบนี้เนี่ยผมก็เริอมแก้ห่งจุ้ยอะไรให้ไปแบบก็เหมือนเดิมคุณตานโทรมาบอกว่า อาจารย์ครัสามีดิฉันไม่ฟังเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับบ้านข้างๆก็คือบ้านของคุณอ้อยของคุณตานเนี่ยออทำมาค้าขายจะเลยลุ่งเหลืองมากครับแต่ของคุณอ้อยแย่มากเลยชีวิตแย่ลงครับการงานแย่ลงเงินเงินเหลือน้อยลงนะครั บ, รบแล้วก็เริ่มเจ็บเจ็บป่วยป่วยมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเป็นประจำนะครับ ที่ที่หนักหน่อยก็คือว่าบ้านนี้เลี้ยงแมวเพราะว่าไม่มีลูกอืมน้องสาวคือคุณตาเนี่ยมีลูกลูกเล็กๆนะครับแต่คุณอ้อยเนี่ยตั้งง่ายมายังไม่มีลูกเลยเลยเลี้ยงแมวแล้วก็เออเอาแมวอ่ะไว้หน้าบ้านอืหน้าบ้านเลยนะครับแล้วแมวประมาณสักห้าหกตัวทยอยตายฮะหรอเออทยอยแบบเริ่มเจ็บป่วยอะไรไม่รู้แต่แต่เอาง่ายๆมาอยู่ประมาณห้ากเดือนตายหมดเลยครับ ทยอยตายเขาก็เริ่มแบบมั น, ม, นมันเกี่ยวไหมอ่ะเขามาถามผมเกี่ยวว่ามันเกี่ยวกับหวงจุ้ยไหมนะครับผมก็พยายามแบบอธิบายแล้วว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกะ ค, ะครับเพราะว่าสามีไม่เชื่อสามีก็ไม่แก้ไม่ปรับอะไรเลยครับนี้ผมอยากจะบอกว่าฮวงจุ้ยของบ้านหลังเนี้ยก็คือเวลาเขาดูหวงจุย้ยเขาจะดูว่าด้านหลังพิงทิศอะไร ค, ครับมะคะมาแล้วมาแล้วเออตีแล้วนะคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะฮะนี่เป็นการบอกเวลาเที่ยงคืน อ่าเนี่ยเขาเรียกว่าสิบสอมงอ่าสิบสอโมงนะฮะอ่าเตีครบอ่ะครับโอเคครับผงจุ้ยเนี่ยจะดูว่าหลังบ้านพิงทิศอะไรคือหลังบ้านหันไปทางทิศอะไรเดี๋ยวผู้คุณผู้ฟังฟังอยู่ลองลองดูใช้แอปในมือถือก็ได้นะครับดูว่าบ้านตัวเองเนี่ยหลังบ้านพิงทิศอะไรอือมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเรามาเล่นสนุกกันล้กันนะครับครับอันนี้ก็ในบ่บ้านเนี่ยครับก็จะมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งอือ คนบ้านคนเนี้เป็นเป็นคนบ้าที่คนในหมู่บ้านเขาไม่ถือสากันนะครับครับ <c oughs> เป็นคนบ้าที่ไม่ใช่บ้าแนวรุนแรงเป็นบ้าแนวเหมื อ, น โ, อมนโลกสวยอะ่ะบ<ม>้าโลกสวยอ่ะแล้วก็ชอบเป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นเหมือนชอบใส่ชุดช่างนะครับครับ <c oughs> แล้วคนในหมู่บ้านก็ชอบใช้ใช้งานแบบช่วยตัดต้นไม้ให้หน่อยสิอืม <c oughs> ช่วยยกอไรนั่นให้หน่อยสิแล้วก็ให้เงินสิ บ, บาทยี่สิบาทอะไรเงี้ยครับครตอนกลางวันเขาจะไปอยู่วัดส่วนตอนเย็นตอนกลางคืนคนบ้าคนเนี้ย เขาจะมาสนิทกับยามอื hmm. แล้วก็ชอบซ้อนท้ายจักรยานยามก็พาขี่จักรยานชมหมู่บ้านเล่นกันเป็นที่คนในหมู่บ้านเขารู้จักกันนะครับ hmm. แต่ว่าบ้านของเนี้ยบ้านของคุณอ้อยคุณตาแล้วก็คุณอำนาจเนี้ยที่ย้ายเข้ามาอยู่นไม่นานก็นน ย, ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อ hmm. ืแต่คนบ้านคนเนี้นะครับ <Okay. S 2> เรื่องของเรื่องเกิดจากคืนคืนหนึ่งคุณตาที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ยเขาอุ้มลูกอยู่ที่ชั้นสองของบ้านอืม hmm. ลูกก็คืององแงขึ้นมากางดึก เขามองไปเขาเห็นคนบ้าคนนี้ยเดินอยู่แต่คนบ้าคนนี้ไม่ใช่เดินอยู่คนเดียวมี ค, คนประมาณห้าหกคนเดินนำคนบ้าคนนี้ยเดินอยู่ที่ถนนหมู่บ้านแล้วลักษณะการเดินแปลกมากครับถนนหมู่บ้านก็กว้างขนาดรถสวนกันได้สักประมาณสามคันแต่คนที่เดินเนี่ยห้าหกคนเนี่ยไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงครับเดินตรงบ้างเลี้ยวบ้าง ซ้ายบ้างขวาบ้างเดินซิกแซกนะฮะเดินเหมือนเหมือนมูเลยเออเดินแปลกๆครัแต่มีทิศทางการเดินนะครับไม่ใช่มั่วหมายถึงว่าสี่ห้าคนเนี้ยเดินเดินตามไปออืแล้วก็ไปหยุดอยู่บ้านตรงข้ามครับตอนนี้ก็คุณตานก็ไม่เข้าใจแต่ก็เห็นคนบ้าคนเนี้ยเดินตามอ่ะครับออืเขาก็เลยเข้าใจว่าคนบ้าคนเนี้ยจริงๆอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเราชาวบ้านไม่รู้หรือเปล่าออืเขาก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจอนะครับ ครั้นี้เนี่ยคุณตาลก็เลยตอนกลางวันก็ไปบอกคุณอ้อยว่าที่นี่อ้อยพี่อ้อยระวังด้วยนะมันคนบ้าคนเนี้ยมันไม่น่าไว้ใจอ่ะมันท่าทางไว้น่าไว้ใจแล้วเวลาเขาเดินในหมู่บ้านเนี่ยก็เห็นคนบ้าคนเนี้ยปีลัวฮะลัวชาวบ้านลัวในหมู่บ้านเนี่ยมันจะตี้อะครับคนบ้าคนเนี้ปีรัวแล้วก็ไปหยิบน้ำแดงที่ศาลพระภูมมากินอืสมบัติบ้านนี้เอาน้ำแดงวางอเอาของถวายศาลพระภูมิคนบ้าคนนี้ก็จะปีลแล้วเอามือไปหยิบอืม มากินนะครับซึ่งแบบก็ก็แบบเป็นเรื่องปกติอ่ะชาวบ้านไม่มีใครว่าสักคนนะอครัอครันนี้เนี่ยก็เขาก็เห็นพฤติกรรมแล้วแหละแต่ว่าบ้านคุณคุณคุณอ้อยเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าคุณอำนาจไม่เชื่อครับตอนนี้มันมีเหตุที่ทําให้คุณอ้อยอ่ะครับต้องทําอาหารมือข้ามให้คุณอำนาถเพราะว่าคุณอำนาถเนี่ยติดภารกิจว่าต้องทำงานแล้วเลิกกลับดึกปกติคุณอ้อยเป็นคนทําอาหารอร่อยนะครับอืมแล้วภาสาหมีก็ติดใจมาก ก็ทำอาหารให้คุณเออให้คุณสามีอ่ะดูน้ำหน้ากินทุกวันเลยอืมแต่ทุกเช้าก็จะไม่เห็นเศษอาหารเต็มซิงค์เลยครับซิงเกาลจานอ๋ออ๋ซิงก์ซิงเกิงจานแล้วก็แล้วก็เห็นน้ําปลาหมดแทบหมดขวดเลยครับแล้วก็เห็นน้ําปลาพลิกเหมือนกับว่าคุณสามีปรุงน้ําปลาพลิกขึ้นมากินอือมเขาก็แบบเอ๊ะยังไงเนี่ยพอพ อ, พอเจอหน้าการคุ้มหน้าก็บ่นบอกอ้อยเธอลิ้นเสียหรอครับ ตอนตื่นนี่ทํากับข้าวไม่ได้เรื่องเลยนะออืปกติก็เป็นคนขี้โมโหอยู่แล้วก็ฝึดฟัดฟึดฟัดบอกว่าไม่อยากจะกินแล้วไอ้มือดึกทํางานมาเหนื่อยแทนที่จะได้กินอาหารอร่อยๆถี่มือตกนะเราอ่ะอย่างเงถ้าก็ทล้อกันไปเงี้ยครับครับอันนี้เนี่ยวันที่เกิดเหตุก็คือวันถัดมาอีกไม่นานเลยครัเหมือนเดิมคุณตาลที่อยู่บ้านข้างๆน้องสามเนี่ยก็อุ้มลูกขึ้นมากลางดึกเหมือนกันดึกลูกร้อง ก็เห็นผู้คนห้าหกคนเดินเข้ามา mm. เดินเรียงแถวเหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมคือ เ, เดินซิกแซกไปมาแต่คนบ้านไม่ได้เดินตามแล้วนะครับครัน mm. นี้ระหว่างบ้านคุณอ้อยกับคุณตาเนี่ยมันจะมีพื้นที่น่าจะกว้างประมาณสักห้าเมตรหกเมตรแหละ mm. ไม่มีรั้วนะเป็นบ้านติด ก, กันเนี่ยไม่มีรั้ว mm. ไม่มีรั้วกั้นระหว่างสองหลังกลายเป็นไอ้คนพวกนี้เข้ามาครับ mm. ปกติเดินอยู่หน้าบ้านแต่คราวนี้ยเข้ามาในบ้านเลยออือเขาก็ตกใจมากทําไงดีสามีก็ไม่อยู่อีกบ้านหนึ่งก็สามีก็ไม่อยู่พูดง่ายๆบ้านหนึ่งมีคุณตาลที่อุ้มลูกอีกบ้านหนึ่งมีคุณอ้อยนอนหลับอยู่มีคนตั้งห้าหกคนเดินเข้ามาในบ้านอออืมเขาก็ตอนแรกเขาก็เห็นเดินตรงเข้ามาแต่ที่มันน่าแปลกก็คือระยะทางระหว่างบ้านห้าหกเมตรเนี่ยคนพวกนี้กลับเดินต่อแถวครับ มันผิดปกติ น, นะ เ, ออเดินเลียงแถวออแถวเลียงเดียวใช่ครับว่าแถวเรี่ยงเดียวครับครับแล้วมันแปลกแล้วทำไมที่ขนาดนั้นน่ะทำไมต้องเดินแถวเรี่ยงเดียว เ, ออเขาก็ใจตุมต้มตุม้ตมต่ำเพราะว่าเขาคิดว่ามันเหลือผู้หญิงอยู่สองคนไงจะทำยังไงดีครับกลายเป็นคนพวกนี้ครับเดินตรงเข้ามาที่มุมของบ้าน เ, ออเดินตรงแถวเรี่ยงเดี่ยวนะครับครับ และเข้าไปในบ้านเลยฮะทะลุมุมบ้านเข้าไปเลยเรียงเดี่ยวห้าหกคนเนี่ยครับโหคุณเขาบอกคุณตาตอนที่เล่าให้ผมฟังเขาบอกแทบจะทิ้งลูกเลยเขาเขาเขาก็เลยแบบตกใจเขาทำยังงดิเขาก็เอาลูกไปนอนที่ที่ที่เตียงแล้วมาดูอีกทีคนพวกนี้ขึ้นไปบนโต๊ะอาหารแล้วครับขึ้นไปนั่งยองๆอะแล้วก็โซยอาหารโซยกันแบบโอ้เขามองมาจากชั้นสองของบ้านอ่ะ เขามายุ้จะทำยังไงเขากดโทรศัพท์ไปหาพี so ่สาวอ่ะแต่เขาไม่รับไม่รับสายห้องห้องนอนก็อยู่ฝั่งแบบใกล้กันเนี่ยนะครับมองไปก็เห็นเขาก็ตัดสินใจเอาของเล่นลูกแบบพวกตัวต่อพวกอะไรเงี้ยขว้างกระจกคว้างกระจกอ่ะแล้วก็เลียดพอพอสภาเขาก็เปิดไฟครับพอคุณอ้อยเปิดไฟคุณอ้อยก็ทาหน้างงๆนึกว่าใครมาแกล้งอะไร ออก็เจอหน้าคุณตาเหลือหลาคุณตาบอกเปิดไฟเปิดไฟแล้วออืแล้วทำท่าเหมือนก็นชี้ไปว่าข้างล่างมีคนอนะ่ะครับครบอบเขาก็เข้าใจว่าโจรเขก็เปิดไฟครับอพอเปิดไฟอนะ่ะคุณตามองไปข้างล่างห้าคนนั้นหายรึปไปเลยนะอรับคุณลุกหายแบบหายไปดือ้อเลยครั บ, ค, รบคุณอ๋อก็เดินวิ่งลงมาข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะคุณอ๋อก็ยังงงอยู่ว่าอา้าวตาแกตาฝาหล่ หรือว่ายังไง <Cut. S 2> เออคุณตาลก็ไม่กล้าพูดครับ mm hmm. ไม่กล้าบอกเลยว่ า, ว, าว่ามันเกิดเจออะไรขึ้นเพราะมันบอกก็มีที่จะบอกว่าอย่างไรนะ <Cut. S 2> เออครั้นี้เนี่ยมีเย็นวันถัดมาเนี่ยครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าคุณอ้อยอะถูกบ่นว่าทําอาหารไม่อร่อยใช่ไหม mm hmm. mm hmm. คุณอ้อยก็เลยเดินเอาอาหารมาให้คุณตาลชิมคุณบอกว่าเฮ้ยตาลชิมเพราะตาลชิมเขบอกอืมอร่อยอ่ะพี่คร <Cut. S 2> ับอ้าวเขาบอกเนี่ยดูดี หั oh, ฉันมันว่ามันไม่อร่อยอะ่ะมัน mm hmm. มันอ้างปะเนี่ยมันจะไปอะไรนอกบ้านหรือเปล่าก็ยังคุยกันเล่นๆ น, นะฮะตะคืนนั้นน ะ, ะคุณอำนาจที่ไปต่างจังหวนนะัดกลับมาเจอคนบ้าคนนั้นนะฮะเอาขยะอะไรไม่รู้มาวางหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยครับ mm hmm. คือเหมือนของที่คนในหมู่บ้านเขาไม่ใช้อ่ะฮะโ mm hmm. ต๊เครื่องแต้งกระจกห้องน้ําอะไรไม่รู้เลยอมาวางหน้าบ้านเต็มไปหมดเลย mm hmm. แกก็ลงมาจากบถลงมาจากรถไล่เตะคนบ้ามึง mm hmm. มันเล่นมาแกล้งอะไรวะเนี่ย แล้วไอ้ขวดน้ําแดงขวดอะไรไม่รู้ว่าแตกอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยครับขเขาก็ไล่แต่คนบ้าไปเพราะว่าเขาไม่เชื่อนะอืมตอนนี้เนี่ยเขาก็มาบ่นอีกมาบ่นว่าเนี่ยทํากับข้าวไม่อร่อยอะไรเงี้ยวันเนี้ยนนฉันซื้อไอ้นี่มาไก่ต้มน้ําปลาซื้อมากินเองเออไม่เชื่อนะแล้วก็ไม่อยากกินแล้วด้วยกับข้าวฝีมือเมียเนี่ยทิ้งไม่หมดเลยโมโหมากครับขเขาก็เลยตัดสินใจแล้วก็ก็เลยไปบอกคะก็คือคุณ คุณตาเนี่ยตัดสินใจมาบอกมาเล่าครับมาฉเฉลยว่าว่าว่ามันเป็นเป็นอะไรแบบเนี้ฉันเห็นผีเลยกล้าเล่าตรงๆเลยว่าฉันเห็นผีมากินกับข้าวเขาก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยออืคนไม่เชื่อโอ้โห <S <S นี่เธอรวมหัวกันใช่ไหมพี่น้องเธอเนี่ยทํากับข้าวไม่อร่อยแล้วเธอยังจะบอกว่าผีกินกับข้าวอะไรอีกมั่วไปหมดเลยเนี่ยพวกเธอเนี่ยบอกว่าเนี่ยทั้งผีมันมีจริงนะอ่ะวันนี้นะ ฉันจะเปิดม่านข้างล่างเลยออืแล้วห้องนอนข้างบนเนี่ยฉันจะเปิดหน้าต่างเลยอ้าวมาสิอยากมาก็มาโอ้โหพี่คนคนเป็นเมียนะสามีเป็นคนอย่างเงี้ยอืมึงก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะแต่แต่พอขึ้นไปบนบ้านก็คือจะไปนอนอนะครับแกก็เปิดหน้าต่างเนี่ยที่จะพูดจริงๆนั่นแหละครแกเห็นภรรยาเนี่ยเอาพระมาวางหัวหัวเตียงอออืืมาวางกันไว้ที่หัวเตียงผมรากดแกเข้ามาโหขึ้นบอ เดี๋ยวฉันกอดเธอแล้วพระก็มามองฉันอายพระเอาพระออกไป <c oughs> แล้วตอนนี้แกเป็นคนที่นอนเตียงแกเอาเตียงเดี่ยวสองเตียงมาชิดกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าแกนึกยังไงนุ๊กแกผักเตียงในส่วนที่ตัวเองนอนเนี่ยขึ้นไปชิดฝาผนังเลยครับ <c oughs> ไปติดฝาผนังเลยแกบอกร้อนออ <c oughs> อืมเให้ลงพัดหน้าฉันนี่แหละแต่เมียเนี่ยไม่ได้คุณคุณคุณอ้อยเนี่ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เข้าไปชิดตา่าง <c oughs> วันเดียวเท่านั้นแะ่ะคุณ คุณตาที่อยู่บ้านค้างๆก็ใจไม่ดีก็เลยยอกบอกพุ่มลูกแล้วมองดูเหตุการณ์อยู่ตลอดนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเหตุได้ยินเสียงท้าทายเหตุการณ์ผ่านไปจนทีหนึ่งทีสองทีสามก็ดูจะไม่มีอะไรนะครับเอคุณคุณตาก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกตรงตรงอันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นพร้อมกันสามุมมองนะครับครับเอคุณคุณตาลเนี่ยเห็นคนสี่ห้าคนเดินเข้ามาอีกแล้วออื เข้ามาข้างล่างเข้ามาทางเดิมเดินแบบเดิมเลยฮะเข้ามาแล้วก็ไปก็ไปกินไปกินไอไก่ต้มน้ําปลาเนี่ยอแล้วก็สามีอันนี้สามีก็คือคุณอำนาจนะฮะนอนนอนอยู่ใช่ไหมครั บ, รบหัวหัวชิดฝาผนังอืออะไรไม่รู้หยดแม่ใส่หัวแม่เขาก็เอามือป้ายอ่ะผมคมมันเป็นเมือกเมือ่อือะเป็นเมือกเมื่อน้ำน้ําเมือกเมือเม่อครับ เขาก็อร่อยวะเขาก็เงยหน้าขึ uh. ้นไปดูภาพที่เห็นนะครับอมันคือคนมาเกาะขอบหน้าต่างอืทำปากจุอืมทำปากขยุกขยุกขยุกขยุกในปากครัแล้วบ้วนน้ําลายโอ้ยน่ากลัวจังบ้วนน้ำลายแบบจุกเนี้ยครับเบื้องล่างใส่เออลงลงปล่อยน้ําลายมันย้อยอ่ะเป็นเป็นเป็นมืดๆลงมาใส่หัวเขาครับ เขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ร้องวิ้งเี่ยครับ hmm. ป็นผู้ชายที่ร้องวิ้งมาแเมียก็ตื่นอ่าคุณอ้อยก็ตื่นตกใจภาพพิวดคุณอ้อยเห็นก็คือไอคนที่ก่อนหน้าต่างเนี่ยเอาหัวหุบลงไปอื hmm. แต่มือมือค่อยลงไปทีละมือแต่ที่ที่หนักที่สุดก็คือคุณตางที่อยู่บ้านข้างๆออื hmm. คุณตางเน่ยเห็นเหตุการณ์หมดเลยว่ามันมีคนสี่ห้าคนที่กินไก่เนี่ยพยายามจะขึ้นไปบนบ้านอืม hmm. โดยการค่อยๆไต่ขึ้นไป <c oughs> เหมือนต่อกันไปไต่ขึ้นไปอพอเสียงวิทดังก็เลยเปิดไฟทั้งสองบ้าน <c oughs> ทุกอย่างหายไป <c oughs> แต่ว่าคุณอํานาจเนี่ยสติแตกวิ่งลงไปข้างล่างแล้วอพอวิ่งลงไปข้างล่างก็ไม่ได้เจออะไรหรอกนะเพราะไฟมันเปิดวิ่งลงไปถงึงท้ายหมู่บ้านก็ไปเจอคนแก่คนหนึ่งครับคนแก่คนเนี้ยเขาก็บอกคุณลุงช่วยผมด้วยผมโดนปีรอก คุณลุงคนนี้ก็หันหน้ามาแล้วก็กอดอกแล้วก็ถ่ายทาท่าสายหน้าอเป็นคุณลุงที่นุ่งขาวห่มขาวออืแล้วคุณลุงคนเนี้ยก็หายตัวไปเหมือนกันต่อหน้าเขาต่อหน้าเขาเหมือนกันวันนั้นเนี่ยเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือว่าที่เขายอมมาเล่าแล้วก็ในที่สุดนะฮะครับก็คือคุณอำนาจะยอมที่จะเชื่อว่าอการปรับอะไรสักหน่อยเนี่ยมันจะมันจะช่วยได้ครับ แล้วผมกดถามไปถามมานะครับว่าก็คือคนบ้านคนที่เอาของข้าวของมาวางเนี่ย<ฆ>ผมบอกว่าคุณอ้อยบ้านคุณอ้อยปรับก็จริงแับคุณอ้อยลองไปดูบ้านหลังอื่นๆซิเขาทำอะไรกับบ้านตัวเองไหม<ฆ>สรุปก็คือทั้งหมู่บ้านเนี่ยพูกง่ายๆเขาเบี่ยงทิศที่เป็นผีผีเนี่ยฮะทิศที่ทางผีผ่านเนี่ยเ<ฆ>บี่ยงมาจนถึงท้ายหมู่บ้านเลยฮะ มือเขามีเขาเหมือนมีเขามีการปรับว่าฉันต้องตัดต้นไม้ต้นนี้ฉันต้องวางอะไรนั่นในนี่<อ>ในที่สุดทิศ ท, ทั้งหมดเนี่ยมันมาตกที่บ้านของคุณอ้อยเลยเรียกว่าปรับพวงจุ้ยหน้าบ้านตัวเองเพื่อหันเหสิ่งไม่ดีแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยปรับไปทางเดียวกันคือไปที่ท้ายหมู่บ้านก็คือบ้านของคุณอ้อยครับไปกองรวมอยู่ที่บ้าน<อ>คุณอ้อยเลยครับแล้วแล้วผมก็งงว่าเออแล้วทําไมผีถึงเข้าไปกินอะไรในบ้านได้ครับ จะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยที่เขามาลองกินกั น, นไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยกลายเป็นไก่ต้มเลยนะพี่จืดมันไม่มีรสของน้ำปลาทัออ้งทน ท, งที่เป็นเจ้าประจําอะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นหืนด้วย อ, อเออแล้วก็กลายเป็นว่าที่ที่เป็นที่ที่ทเขาไปรู้กันเน่ะนะว่าทําไมผีถึงเข้ามากินในบ้านได้ก็ ผ, ล ผ, ลผลมผมบอก ว, ว่าฝั่งตรงข้ามที่เขาเห็นคนสี่ห้าคนเดินไปหยุดหน้าหน้าฝั่งตรงข้ามอ บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับเอากระทงของไหว้สัมภเวสีอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นทางสามแพ ร, ร่งไงฮะแล้วก็จุดทูบไว้ตรงนั้นอตกกลางคืนทิศทางลมเนี่ยวันไหนถ้าเขาไหว้สัมภเวสีเนี่ยลมก็จะพัดขวันทูบมาเข้าบ้าน ร, รอข อ, ของคุณอ้อยออือแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือคุณอำนาจ เ, เปิดบ้านเลยครับรับลมเต็มเต็มที่มีบอกว่าโอ๊ยวันนี้ถ้ามีผีจริงๆเดี๋ยววันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเลย มา ใ, <ช>ให้เห็นหน่อยอืมแล้วกลายเป็นว่าวันมันไปตรงกับวันที่เขาไหว้ครัเขาเอาตั้งกระทงไหว้ของพวกนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อยังมีของให้เขากินอีกมนะั้งก็เลยเข้ามาใ น, ในบ้านนี้ได้ออแล้วบ้านแล้วเราพอไปถามพอดีผมผมรู้จักกับคนที่เขาตั้งสามพระภูมินะตอนที่เขามาปรึกษาเรื่องหุ่นชุ้ยเนี่ยผมถามคนตั้งสามพระภูมเขาบอกว่า ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไหว้าสามพระภูมิเลยคือสามพระภูมิบ้านหลังนี้มัน ม, มีอยู่แล้วแต่เดิมอืมพอย้ายเข้ามาก็ไม่เคยทําพิธีเลยครับก็ ค, คือกขาบอกพระภูมิก็จะไม่อยู่แล้วล่ะอืละเป็นไปได้ที่ที่คุณอำนาจวิ่งไปเจอผู้ชายแก่ๆอะไรนั่นนะนะอาจจะเป็นเจ้าที่หรือพระภูมิของบ้านอื่นซึ่งเขาไม่ยุ่งกับบ้านคุณอออื<ม>ืเพราะคุณไม่ได้ไหว้ครับก็เลยสุดท้ายก็ก็ลายเห็นว่าจากคนที่เกลียดไม่เชื่อต่อบ้านพอเจอเข้ากับตัวเองจริงคุณอำนาจทุกวันเนี้ ก็เป็นคนที่แบบพวกขอคําปรึกษาผมมาเรื่อยๆเลยจนเขาไปทํา ง, งานต่างประเทศกันหมดแล้วอะทั้งบ้างครับค่ะ ย, ย้ายย้ายลกล่าไปอยู่ที่นู่นแล้วก็เหมือนกับคนจีนถ้าเป็นจีนฮ่องกงหรือสิงคโปร์จะเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมากๆากเลยครับพราะมีผลต่อชีวิตมากถูกต้องถูกต้องฮ่องกงสิงคโปร์จีนนะครับอันเนี้ยเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยสำคัญมากและผมติดอย่างเดียวครูเบิร์ตครับคนบ้าคนนั้นที่เอาของมาวางไว้หน้าบ้านเขาอะเพื่ออะไรเขารู้ไหมฮะ เนี่ยผมจะบอกว่าคนบ้าคนนีออ้ยในหมู่บ้านเขารักเพราะอะไร เ, ออเพราะว่าบางทีเขามีของอะไรดีๆจากในจากในวัดอะ่ะครับเขาก็จะมาคอยบอกแม้กระทั่งบอกหวยแล้วถูกหวยอะ่ะแล้วก็อย่างผมถามไปถามมากลายเป็นว่าทําไมบ้านคุณตาลที่อยู่บ้านข้างๆถึงเจริญรุ่งเรืองครับอันแรกก็คืออย่างที่ผมบอกว่าทิศบ้านเขาตรงขันขัาข้ามกันอืเขาจัดเป็นบ้านสลับซ้ายขวากันครับแล้วแล้วก็กลายเป็นดีนะฮะออีกอย่างหนึ่งก็คือคนบ้าคนนั้นน่ะเขาเคยเจอกับสามี ของคุณตาลขับรถสามีคุณตาลให้เงินจอดรถแล้วก็ให้ตังครับเขาควักของเขาใส่ชุดเป็นชุดช่างใช่ไหมก็จะมีชุดประจำเหมือนชุดช่างเขาหยิบของมาจากกระเป๋าซึ่งเขาจะเรียกมันว่ากระเป๋าโดเลมอนคพราะว่าพวกเขาหยิบของสิ่งหนึ่งให้เป็นของที่เขาได้มาจากวัดออืผมมารู้ที่หลังเขาเรียกอันนาวการหลงไม้กาหลงอ่าแล้หยิบไม้กาหลงมาให้ให้สามีคุณตาลแล้วก็หลังจากนั้นมาสามีคุณตาลก็ทำมาคาขึ้นมาตลอดืม แล้วกายการที่คุณบ้าคนนั้นเน่ะเดินตามผีอ่ะในทิศทางที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าคุณตาลบอกว่าผีซิกแซกคนบ้าก็ซิกแซกตามคุณลูกเขาเข้าใจว่าคนบ้าคนนั้นเนี่ยต้องเห็นออือแล้วก า, การที่คนบ้าคนนั้นเน่ยเอาของมาตั้งผมว่าส่วนหนึ่งคือเขาจะแก้ห่วงจุ้ยให้นั่นแหละออืเขาจะช่วยที่เขาไปเอากระจกอะสองหน้าไปเอากระจกห้องน้ำอะไรที่เป็นเงาเงา ไอจานสังกะสีเอกับอะไรอลูมิเนียมอะไรเนี่ยเขามปตั้งหน้าบ้านกองกองเรียงยาวกันไว้เนี่ยอืมจนจนคุณําหน้าไปไล่เตะมันเนี่ยจริงๆคือเขาจะช่วยฮ่าฮ่าครับเฮ้ยฟังเรื่องนี้ผมนึกถึงโฆษณาอันนึ่งอ่ะที่มันเป็นกล้องวงจรปิดอ่ะเคยดูกันปะกล้องวงจรปิดที่มีคนบ้ามานอนอยู่หน้าร้านอ๋อแล้วก็ไปทําร้ายคนบ้าใช่ไหมเออทั้งทั้งที่คนบ้าเนี่ยเขาเคยคอยช่วย อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เฮ้ย<ช>ลักษณะคล้ายกันอันนี้ก็คือเหมือนกับเขาจะมาช่วยมาช่วยแบบ<ช>คือเดินตามผีเห็นแล้วว่ามันมีผีเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาในบ้านหลังนี้ก็พยายามที่จะหาอะไรมากั้นไว้ให้ตามสติ ป, ปัญญา<อ>ที่เขามีอยู่อะคือตอนแรกผมจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าถึงจะบ้าแต่ว่าไม่งงครับครับ เ, <อ>เพราะฉะนั้นเรื่องวงจุ้ยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อ แตม่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ฮยควรที่จะเชื่อไว้บ้างโดยศาสตร์ของห่วงจุย้ยพอนเป็นศาสตร์เก่าแก่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตึกธุรกิจใหญ่หญหญระดับโลกระดับประเทศเนี่ยห่วงจุ้ยสำคัญมากเออนะฮะอย่างที่ผมพูดไปตอนเริ่ ม, มครั บ, รบที่บอกว่าเออให้แต่ละคนลองดูที่ว่าตัวเองตอนนี้บ้านเนี่ยหันหลังพิงทิศอะไรอยู่ หรือแม้แต่หรือแม้แต่ในห้องส่ ง, <อ>งของขององขพี่แจ๊คตอนนี้ยก็สามารถเช็คได้ว่าทิศไหนคือทิศผีสิงโดยวัดจากเนี่ยก็คือหลังต้องดูว่าอาตอนเนี้ยด้านหลังของของแต่ละคนเนี่ยหรือหลังบ้านของแต่ละคนเนี่ยอยู่ทิศอะไรครับอันเนี้คือผมสามารถบ อ, อกได้เลยว่าหร<ล>อถ้าหลังบ้านอยู่ทิศอะไรออืทิศผีสิงจะอยู่ทิศไหน อของของบ้านแต่ละที่อ่ะอย่างบ้านหลังเนี้ยบ้านของกุ๊ดอ้อยเนี่ยครับหลังบ้านเขาอยู่ทิศตะวันตกอืมบ้านผมก็หลังบ้านอยู่ทิศตะวันตกเพราะว่าอ้าวโอเคหน้าผมหน้าบ้านผมจะเป็นทิศตะวันออกพอดีเป๊ะเลยนี่ครับเคยพิจ๊คเคยได้ยินที่คนจีนเขาบอกหลังบ้านพิงภูเขาหน้าบ้านเป็นทะเลไหมเคยครับเออคนคนจีนเขาจะเชื่อแนวเหนือใต้ครับอืมเพราะฉะนั้นใครที่บ้าน อยู่แนวเหนือใต้เนี่ยจะได้เปรียบในด้านหงมเจ้าเวียมากกว่ามากกว่าคนอื่นๆเลยแต่ส่วนอย่างคุณอ้อยเนี่ยหรือบางคนที่หลังบ้านแนวทิศตะวันตกเนี่ยหลังบ้านพิมพ์ทิศตะวันตกครับทิศที่เป็นผีสิงคือทิศใต้ทิศใต้ใช่ไหมฮะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่สมมุติว่าเป็นห้องของลูกเป็นห้องทํางานเป็นห้องนอนเป็นห้องที่เป็นเป็นลักษณะของการพักผ่อนหรือว่าต้องการเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าไม่ควรจะอยู่ทิศนี้เลย เพราะว่าห้องนอนผมเนี่ยจะหันหน้าไปทางหน้าบ้านก็คือทิศตะวันออกพอดีเป๊ะเลยถ้าที่จะขึ้นฝั่งตรงข้ามเลยฮะแล้วก็ตกหลังบ้านคือส่วนใหญ่คนเราชอบชอบนอนห้องนอนอยู่หน้าบ้านครับอย่างบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันถามว่าทําไมทําไมเขาถึงเจ็บป่วยเป็นโรคกเพราะว่าห้องนอนอยู่หน้าบ้านครัหน้าบ้านของของทิศหลังบ้านจริงทิศตะวันตกเนี่ยหน้าบ้านจะเป็นทิศ ข, ของเกี่ยวกับพวกโรคภัยไข้เจ็บ ืซึ่งก็เลยจะไม่ดีนงครับอืออือเออทีนี้ครูว่าผมถามนิดหนึ่งสรุปแล้วบ้านคุณอ้อยหลังนั้นเนี่ยแก้อะไรไปบ้างอ๋อวิธีแก้ใช่ครับมันมีปีกย่อยนะครับแต่อย่างแรกก็คือผมย้ายห้องนอนหมายถึงว่าย้ายการนอนใหม่นะครับอือย่างหลังบ้านพิงทิศตะวันตกเนี่ยครับอ่าทิศทิศ ท, ท, ท, ท, ที่เกี่ยวกับสุขภาพอ่ะอืมก็เดี๋ยวนะจะจะอยู่รู้สึกจะอยู่ตะวันตกเสียใต้ครับ เอาง่ายๆก็คือคนที่หลังบ้านอยู่ทิศตะวันตกเนี่ยทิศดีๆเนี่ยอยู่หลังบ้านหมดเลยคเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องอะไรดีๆเอาไว้แบบในๆหน่อยครับครับเอจะดีครับหมายถึงว่าเกิดต้องปรับห้องใหม่อ่าปรับปรับลักษณะการใช้ชีวิตหรือห้องใหม่อะไรเงี้ยครับผมว่าจะเป็นคนที่แก้ฮวงจุ้ยแบบไม่ทุบบ้านครับครับก็คือจะใช้วิธีการปรับเอาพลังไม่ดีมาเป็นพลังที่ดีแทนเขาบอกว่าการแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยมันต้องไปดูสถานที่จริงด้วยนะ อ่าก็ใวรใ ห, หรืออย่างหรือหรืออย่างอรืออย่างน้อยก็แบบแปลนที่ค่อนข้างจะถูกต้องในด้านของทิศทิศอะไรเงี้ยบางทีถ้ากเกิดแบบคนที่อยู่ต่างแบบไกลๆมากๆผมจะใช้วิธีให้เขาเอาแปนวางที่กลางห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาเข็มทิศวางให้ผมดูหน่อยว่ามันกี่องศาอะไรเงี้ยครับแล้วแต่คนซีเรียสครับบางคนก็ซีเรียสเป็นองศาเลยบางคนก็ก็ก็ปรับเท่าที่ปรับได้แต่ตั้งแต่เคยเคยแบบให้คําแนะนํามาก็ อาตีว่าสิบคนได้ผลสักเจ็ดสัก8ปดนะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะอนะครับชีวิตผมก็โอเคเหมือนกันอืมเพราะว่าเรื่องของเรื่องของวงจุ้ยอะไรพวกนี้มันเป็นศาสตร์ที่ล้ำลึกคุณผู้ฟังนะครับมานั่งอธิบายตรงเนี้ยมันมันเข้าใจยากทั้งหมดเลยมันต้องมันต้องไปดูหน้างานมันต้องไปปรับตรงนั้นปรับตรงนี้บางทีไม่ได้ปรับบ้านอะไรนะครับแต่ไปปรับสิ่งของที่อยู่ในบ้าน อะไรประมาณนั้นแล้วก็ในฮงจุ้ยเขาเรียกว่าชี้ชี้คือพลังพลังที่เข้ามาในบ้านเนี่ยครับชี่ที่สำคัญที่สุดที่คนรับเลยก็คือคนเนหลครับอืมคือถ้าคนคุณใช้ชีวิตแบบไหนคชี่ี่ในบ้านคุณก็ก็มีผลเหมือนกันครับอืถ้าคุณใช้ชีวิตแบบว่าวันๆแทบไม่ค่อยเข้าบ้านเลยอออืมคําว่าหยางอ่ะหินหยางอ่ะหินก็คือความเงียบสงบความอะไรอย่างเหมือนบ้านร้างเนี่ยจะมีหินเยอะครับ ก็จะเยอะไปเพราะฉะนั้นอีกอย่างมันต้องสมดุลต้องสมดุลกันถูกต้องเออขาวกับดำมันต้องบาลานซ์กันว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับนะครับโอ้โหเออเรื่องนี้นะครับได้ความรู้ได้ความตื่นเต้นได้ความแปลกนะครับของของบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นบ้านเรียกผีนะครับทุกวันนี้ก็คือดีขึ้นละทำมาหากินจเจริญรุ่งเรือง ก็เขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็ทําเป็นที่เรียบๆแล้วก็จะให้หมู่ให้หมู่บ้านไปแหละเป็นแบบพลรานอเนกประสงค์เป็นอะไรของหมู่บ้านไปเลยครับเอออ่ะได้ครับครูเบิร์ตขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังการสนุกตื่นเต้นมากฮะครับขนะแล้วก็ยังคงเป็นครูเบิร์ตที่เล่าเรื่องสนุกเหมือนเดิมขอบคุณมากๆนะครูเบิร์ตนะครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ